เพศสูตทั้งหลายมารผู้มีบาปย่อมเปรียบเทียบเรากับพรหมบริษัทนี่แหละที่จริงแล้วในบรรดาลโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมเป็นต้นไม่มีผู้ใดเหนือพระผู้เต็เจ้าเห็นไหมในเนี้มารเขาบอกว่าท่านก็ท่านก็เนี่ยพระพู้เต็มเจ้าท่านดูสิพวกพรหมบริษัทเขาเป็นยังไงท่านไม่อยากเป็นพรหมบ้างเลยหรือเนี่ยนะแล้วก็พูดลักษณะนี้เขาว่ายกไปเปรียบเทียบเนี่ยนะยกยกพรหมไปเป็นเครื่องเปรียบว่าเนี่ยท่านไม่อยากเป็นพรหมแบบนี้บ้างหรือ พียกสูทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้เราเราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปอย่างนี้ว่าแนนมารเรารู้จักท่านท่านอยากเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราเรารู้นะว่ า, ร, วารู้ว่าท่านมาสิงพรมแล้วท่านมาพูดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าแมไม่รู้นะว่างนนแนนมารท่านเป็นมารพรมพวกพรม พรหมบริษัทพรหมทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ตกอยู่ภายในมือของท่านพรหมเนี่ยตกอยู่ในอํานาจของท่านไม่อํานาจเก่งจริงเลยนะมีอํานาจควบคุมบงการพรหมได้อะมานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะและท่านมีความคิดว่าแม้สมณะนี้ก็ยังตกอยู่ภายตกอยู่ในมือของเราตกอยู่ในอํานาจของเราก็แต่ว่าเราไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของท่าน เราไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลยมานเนี่ยนะรผมก็บอกว่าพงศ์มไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจนะ ค, คือมาเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้เนี่ยนะทีนี้พรมเขาก็ยังยืนยันลัทธิของเขาอีกนะพรมเขาก็ยังยืนยันลัทธิของเขาต่อไปว่าหน้าห้าร้อยเอ่อข้อห้าร้อยห้าสิบสี่นะหน้าสี่ร้อยสี่สิบสามบอกว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรมก็ยังกล่าวยืนยันกับเราอีกว่าผู้เนรทุกข์เรานะพูดสิ hing hing hing ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงเรานี่พูดความจริงนะตมาว่าเรามมสาได้ยังไงเนี่ยนะเราพูดความจริงกับพรมมโลกเที่ยงเราก็บอกว่า e. พรมมาโลกอะเที่ยงพรมมโลกมั่นคงเราก็บอกว่ามั่นคงพรมมาโลกยั่งยืนเราก็บอกว่ายั่งยืนพรมมโลกแข็งแรงเราก็พูดว่าแข็งแรงพรมมโลกไม่เคลื่อน แปลว่าไม่แปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเราก็บอกว่าไม่มีความแปลเปลี่ยนไปเต็มเป็นธรรมดาสัตว์ที่มาเกิดที่นี่นะผู้ที่อยู่ในพรหมโลกจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในหมู่พรหมเพราะฉะถ้าเกิดในพรหมสถานนี้แล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติสถานที่นี้ผู้ใดมาเกิดแล้วพ้นทุกข์สถานอพรหมสถานนี่แหละเป็นสถานที่ผู้ที่มาเกิดแล้ว หลังจากนี้ภายแล้วจะไม่เกิดไม่แก่ไม่จุติไม่อุบัติที่เหตุที่ออกไปจากทุกอันอื่นที่ยิ่งกว่าพรหมโลกไม่มีเหตุที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นยิ่งกว่านี้ต่อไปไม่มีอีกแล้วปฐมฌานภูมินี่แหละวิเศษสุดว่า ง, งั้นอ่ะปฐมฌานภูมิก็ถือเอาอะไรปฐมฌานภูมิวิบากกรรมชรูปของผู้ที่เกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจประชมปฐมฌานภูมิมันสุดยอดแล้วพิสุว่า ง, งั้นนะนะิุ สมณะพราหมณ์พวกที่มีก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุทั้งสิ้นของท่านะมันเท่าไร น, นะคือคือตรงนี้เนี่ยนะพรหมก็ขู่พระพุทธเจ้าอายุท่านมันเท่าไหร่เอ้าเนี่ยพูดเนี่ยเอาเรื่องอายุมาเทียบกันแล้วใช่ไหมตรนี้เอายุมากระทบกทันคือมันก็จริงอ่ะนะพระพุทธเจ้าเพิ่งอะไรอายุแค่สี่หสิบปีใช่ไหมของเขาเนี่ยอายุมาเกือบกราบแล้วอย่างเงี้ยมาแล้วบท่านอายุเท่าไหรเอ้าอายุของท่านอา่ะเท่าไร่ กรรมที่ทำด้วยตบะของท่านก็มีเท่านั้นท่านเท่าไหร่ท่านเพิ่งเกิดอายุมันนิดเดียวท่านสร้างบารมีมาหน่อยเดียวเนี่ยเมื่อกี่สิบปีเองเนี่ยนะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไอ้พวกเขาที่เกิดก่อนๆเขารู้เหตุที่ออกไปจากทุกข์อันยิ่งไปกว่านั้นว่ามีอยู่ว่าเป็นออกเป็นเหตุที่ออกไปจากทุกข์นั้นอะ่ะมี เพ่งรู้เหตุที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นอันยิ่งขึ้นไปไม่มีอยู่คือพวกสมณะพราหมณ์รุ่นก่อนๆที่เขาอายุยืนยาวเนี่ยพวกนี้เขารู้จริงเขารู้จริงสิอันไหนมันออกทุกได้แน่อันไหนออกทุกไม่ได้แน่สมณะพราหมพวกรุน่นเขารู้ทั้งหมดอ่ะท่าน อ, อายุเท่าไหร่เอ้วท่านมันรู้จริงแค่ไหนอย่างงี้ย น, นะพูดอย่างงี้แหมฟักพ่กเราก็เงียบเลยนะแต่ธงเขาก็มาไม่ข่อยยอมง่ายๆบอกแหมคือมันก็จริงอ่ะนะเข้าไปถึงถิ่นของเขาอ่ะนะ เข้าไปถึงถิ่นพรมเนี่ยนะถิ่นมารถิ่นพรมตั้งมานตั้งพรมรวมหัวกันเนี่ยนะพระพุทธเขาก็โต้แย้งพระพุทธเจ้าว่าท่านอายุเท่าไหร่ใช่ไหมก็ดูสิพวกสมณะพราหม์รุ่นก่อนๆเนี่ยที่เข้าปฏิบัติจนเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเป็นยังไงบุคคลเหล่านั้นเขาเป็นคนรู้จริงท่านอ่ะอายุเท่าไหร่เอากรรมที่ท่านทํามามันเท่าไหร่ตะบะของท่านมันระดับไหนเนี่ยนะถ้วเปรียบขนาดนี้ถ้าคนไม่ดีจริงเนี่ยฟอร์มหมดเลยใช่ เพราะฉะนั้นไอคำที่เขาเอามายืนยันว่าพรหมโลกเนี่ยเที่ยงยั่งยืนมั่นคง น, นะแข็งแรงไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายใครมาที่นี่นะพ้นเกิดพ้นแก่พ้นตายที่นี่แหละที่ออกแห่งทุกข์เป็นสถานที่ที่พ้นไปจากทุกข์เนี่ยนะภิกษุเพราะเหตุไรทําไมเราจึงพูดกับท่านอย่างนี้ฮะเขาก็เขาก็อธิบายนะอธิบายให้พระพุทธเจ้าฟัง ที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยนะแกเรียกว่ามันมีเหตุมันมีเหตุเพราะว่าท่านจักไม่เห็นเหตุที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นอันยิ่งกว่านี้อีกเลยท่านทําเถอะท่านจะทํายังไงท่านทําให้ตายท่านก็ไม่เห็นอะไรที่มันเยี่ยมกว่านี้อีกแล้วนี่แหละมันสุดยอดนะนะโฆษณาหน้าดูเลยนะพรหมเนี่ยนะพรหมก็ขี้โม้กันนะเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเนี่ยที่ที่เนี่ยเยี่ยมที่สุดแล้วว่างั้น เพราะฉะนั้นท่านจากเป็นผู้รับส่วนแห่งความลำบากส่วนแห่งความขับแค้นอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อท่านมาพบมาประสบของที่ดีของที่เลิศของที่ประเสริฐอย่างนี้แล้วท่านไปเที่ยวหาที่อื่นอีกผิดแน่นอนผิดแน่นอนไปเถอะท่านไปแล้วท่านเหนื่อยเปล่าแต่เพราะที่นี่มันประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับก็เหมือนกับผู้ที่เขาเขาเจ้าลัที่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะนิยมพูดแบบนี้เหมือนกันนะอย่างใครที่โยมเขามาเล่าให้ฟังวันก่อน วันก่อนนี้แปลว่าหลายเดือนแล้วนะก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปสถานที่แห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเยี่ยมที่สุดมันยอดที่สุดมันประเสริฐที่สุดแล้วคุณเชื่อเขาไม่ล่ะไม่เชื่อหรอกครับเออไม่เชื่อก็แล้วไปเนี่ยนะะ เ, เชื่อทําไมไม่อยู่ที่นั่นไปเลยถ้าเขาโฆษณาว่ามันดีขนาดนั้นคือคือทุกคนก็พยายามยืนยันว่าไอ้ลัทธิของตัวเองข้อปฏิบัติของตัวเองวิธีการของตัวเองวิเศษที่สุดเนี่ยนะ ประเสริฐที่สุดเยี่ยมที่สุดทุกคนก็พยายามจะโฆษณาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูนะใครทําอะไรอันนั้นแหละเยี่ยมที่สุดอันอื่นมันรองหมดแหละสู้อันนี้ไม่ได้หรอกแล้วบางคนที่ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติเหล่าใดเนี่ยก็แม่นี่ข้อปฏิบัติชั้นเนี่ยประเสริฐที่สุดสูงที่สุดถ้าใครไปหาข้อปฏิบัติอื่นจากนี้เหนื่อยฟรีอ่างนั้นเหนื่อยเปล่าเนี่ยนะมันก็ เขาทุกคนก็พยายามสรรหาถ้อยคำมาโฆษณาทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งคนก็เชื่อเนี่ยนะก็เป็นบ่วงดักสัตว์ไม่ใช่น้อยเลยนะเป็นบ่วงคำที่พรมพูดยืนยันตรงนี้เนี่ยนะรัฐที่ศาสนาประชากรนับถือเป็นพันล้านรับถือในหลักการเหล่านี้นะแต่วิธีการปฏิบัติมั่วสเปสเปะอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พื้นฐานจากความคิดเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยมีผู้นับถือประมาณพันล้าน ปัจจุบันนะไม่เทียบถึงอดีตที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์อันยืนยาวนาะนนี่กี่หมื่นล้านคนแล้วที่นับนับถือในหลักการเหล่านี้และต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการวางทิฏฐิของพรมเนี่ยการวางอันเนี่ยนะมีผู้ทีปปป่ปฏิบัติตามเนี่ยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะนับไปเถอะตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและที่จะมีต่อต่อไปในอนาคตพื้นฐานหลักการเหล่านี้ น, นี่โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนีนะ วางก็เรียกว่าวางกับดักให้สัตว์เนี่ยเวียน่ายตายเกิดในวัตตะสรว่าเธอไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเธอจอมรับชั้นคนเดียวนะพรอมเขาเขายืนยันแบบนั้นนะเขาเาต้องกัดเาเขาอภิเสกตัวเองว่าเขาเป็นพระเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สร้างเนี่ยนะผู้เป็นใหญ่ทั้งหมดทีนี้เขาก็จะบอกวิธีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ให้ให้เป็นสาวกของเขาเขาก็สอนข้อปฏิบัติของเขาแล้วนะเขาบอกว่าภิกษุ ถ้าท่านจะกลืนกินแผ่นดินด้วยตันหาและทิฐิใสท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนอยู่ใกล้เรานอนอยู่ในที่อยู่ของเราเราพึงทำกับท่านได้ตามความประสงค์เราก็จะห้ามท่านได้เขาบอกว่าวิธีการเนี่ยนะท่านกลืนดินด้วยตันหาและทิถิเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จว่าตามเห็นธาตุดินว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราและท่านจะเป็นสาวกผู้เยี่ยมยอดของเรา ่แนะนำข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นสาวกของเขาและนะถ้าท่านจะกลืนน้ำกลืนกินน้ำก็กลืนไม่ใช่แบบดื่มธรรมนานะกลืนด้วยตันหาและทิฏฐิน้ำว่าว่าเป็นเรา ว, ว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะท่านเชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอ น, อ, นอยู่ในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามความประสงค์เราพึงห้ามได้นะวิธีปฏิบัติท่านจะมาเป็นสาวกของเราเนี่ย ท่านใส่ใจในน้ำนี่นะกำหนดน้ำใส่ใจน้ำว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเร า, าให้มากเธอ ท่านจักกลืนกินไฟท่านจักกลืนกินลมก็คือกลือนธาตุสี่รวบธาตุสี่ด้วยตันหาไว้เบ็ดเสร็จเถอะท่านจักชื่อว่านอนใกล้เรานอนอยู่ในที่อยู่ของเราเราเพึงทําได้ตามประสงค์เราเพึงห้ามได้มันท่านชื่นชมสัตว์สัตว์หมายถึงครือายบดีเป็นต้นเน่ยนะชื่นชมเทวดาชื่นชมประชาบดีคือมารและพรหมขอให้ท่านกลืนกินชื่นชมเราสัตว์เทวดามารพรหมไสท่านชื่อว่านอนอยู่ใกล้เรา นอนอยู่ในที่อยู่ของเราเราทําได้ตามความประสงค์เราพึงห้ามได้ดังนี้อันนี้วิธีข้อปฏิบัติที่บอกว่าถ้าจะมาเกิดในพรมมลกมาอยู่กับเขามาเป็นสาวกเขาต้องทําตัวแบบนี้แบบนี้นะว่านอนสอนง่ายแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ยอมไหมอันนันมาพรมแนะนํำอกเรียกว่าให้โอวาดแนะนําตักเตือนทั้งครูทั้งบอกวิธีการทั้งปลุกปลอบทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็โต้ต่อว่า เรากล่าวว่าพร้อมเรากล่าวว่าพร ม, รววพรมแม้เราก็รู้เหตุนี้เราก็รู้นะว่าถ้าเรากลืนกินแผ่นดินได้ใสเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนอยู่ใกล้ท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านพึงทาตามได้ตามความประสงค์ท่านพึงห้ามเราถ้าหากว่าเราจะกลืนกินน้าไฟลม กเรนกินเหล่าสัตว์เทวดาประชาปดิมาณพรหมเราก็ชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านในที่อยู่ของท่านท่านพึงทําได้ตามความประสงค์ท่านพึงห้ามได้อะ น, นะใช่อ่ะ น, นะถ้าปฏิบัติตามหลักการที่พรหมแนะนำก็จะไปเกิดในพรหมโลกตามที่พรหมแนะนำ คำว่ากลืนกินนะดินน้ำไฟลมเนี่ยหมายว่าไปเจริญกสิณเป็นต้นเนี่ยนะแล้วยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราและเพลิดเพลินชื่นชมในวัตะให้มากๆเนี่ยนะแล้วก็ตั้งจิตไว้เพื่อจะมาเกิดกับเราเนี่ยนะพรมใช่แต่เท่านั้นเรารู้ความสำเร็จและอนุภาพของท่านอีกนะพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้นะว่าท่านอ่ะมีความสำเร็จแค่ไหนอนุภาพของท่านเป็นอย่างไร พระกะพร้มเนี่ยมีฤทธิ์อย่างนี้พระกะพร้อมมีอนุภาพอย่างนี้พระกะพร้มมีศักดิ์มากอย่างนี้พร้มเนี่ยบางทีไม่รู้อำนาจของตัวเองเท่าไหร่ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจจริงๆและแค่ไหนพระกะพร้มก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เนรทุกข์ก็ท่านรู้ความสำเร็จรู้วอนุภาพของเราว่าพระกะพร้มมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพร้อมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพร้มมีศักดิ์มากอย่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นแสดงว่าพรหมเนี่ยเขามีอำนาจรวบเท่าไหร่นะพันจักรวาลเขาบอกวิควาว่าพันจักรวาลเนี่ยหมายคือว่ามีในหนึ่งจักรวาลประกอบไปด้วยหนึ่งดวงจันทร์หนึ่งดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยนะจะมีโลกในระบบ ในระบบสุริยะจั ก, กรวาลเนี่ยเรียกว่าหนึ่งจั ก, กรวาลแล้วก็อนุภาพของพรมเนี่ยมีประมาณพันจั ก, กรวาลขณะเดียวกันท่านจะรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตท่านรู้จักสัตว์ที่มีราคาสัตว์ที่ปราศจากราคะท่านรู้จักจั ก, กรวาล น, นี้ท่านรู้จกัจกจักรวาลอื่น ท่านรู้จากการมาคือการมาเกิดณนะที่นี้และความไปคือปฏิสนธิณที่ น, ะนี้เพราะท่านจะรู้จะเห็นว่าผู้นี้จะเกิดในอบายผู้นี้จะเกิดในมนุษย์ผู้นี้จะเกิดในเทวดาหรือผู้นี้จะเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะนะเพราะท่านรู้ั น, นพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าพรหมเนี่ยเขาเมนุภาพมากประกาศพรหมคนนี้เนี่ยนะเพราะเขาเป็นเท้ามหาพรหมเนี่ยนะนะ ในอัถกถาหน้า454เนี่ยนะพูดถึงว่าพระกะพรมคนนี้เขามีประวัติมาอย่างไรเ อ, อ่อเคยได้ยินประวัติของพระกะพรมเนี่ยนะที่ว่าพรมเนี่ยหมาตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยประวัติเป็นมาเข้ามาอย่างไรย้อนทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าพระกะพรมเนี่ยเขารู้การมารู้การไปของสัตว์หมายคาว่าการจุ ป, ปติสนที่การเกิดในคติในกามาพบใน อบายในสุขติในมนุษย์ในเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะขอบเขตในอำนาจพันจักรวาลเนี่ยเขารู้นะปัญญาเขามากขนาดนั้นอะ่ะพระพุทธเจ้าทรงข่มว่าความสําคัญก็แลฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเธอเธอเป็นแค่พรหมในจักรวาลนะคือคือพระพุทธเจ้าก็ต้องการบอกว่าจริงๆและอำนาจของเธอมีแค่พันจักรวาลแต่มีพรหมคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเธอตั้งเยอะเนี่ยนะ เธอว่าเธอเก่งเนี่ยนะเธอก็เก่งแค่ใ น, น, นขอบเขตพันจักรวาลแต่มีคนที่เขาเก่งสองพจักรวาลสา0 0ั0 0 0่พันหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลก็มีแต่อำนาจของเธอเนี่ยถึงสองพันไหมไม่ถึง 2, ถึงสอ0 0 0ม0 0 0สี่พนหมื่นจักรวาลแสนจักรวาล อ, อนุภาพของท่านมีขนาดนั้นไหมถึงอำนาจไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นก็ยังสำคัญว่าข่านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนท่านมีผ้าขี้ริว้วอยู่แค่สี่ซอก แล้วก็มาทำอ่ะ น, นี่แหละผ้าใหญ่ที่สุดเนี่ยนะในผ้าพื้นเก่าๆมาแค่สี่ซอกก็คิดว่านี่ผ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านได้เพียงแค่ปฐมฌานเนี่ยนะได้แค่ฌานที่หนึ่ง